ต้นออกดาบกรบพูกบ่แม่า <c oughs> มาง้อหลายจุดไปหน่อยนียวมาดูเท่าเท่ากับสิง้อยหันหก่อมันท่อ น, นามาไหนเท่าอพอแม่ละคือแน่นองค์ ห, หนึ่งเกิดบวยพอดีเกิดคนั็เกิดหนั ขวฝนมาแล้วมันเหม็นที่ฮั่นเน่นเพ่งไม่ทำภพเพ้นเนี่ยจะเียนีนอ้องรบกุมะตัววัวลาี่ตายเนี่ยน้นจะเปิดคุ้มเหยังไ่านคุ้มม้าก็นมม้ อ, นอยท่าม้ามันเีนยงไห่นมันเอาเกิบพน้ อ, นอยไปเรื่อกับไปหนักข้าบนไว้ท่นเกบเจ้าไปยัง น, น, มนง่มันถือฝนไหมท่นมันเพื่อสิถือกินพน้ อ, นอยท่าน ไปาาจังเจ้ากไปคุ้มมัให้ยงอาจารย์เจ้าจัววัเจ้าก็ไปทำวัดมันที่ท่นเอาดอกไม้ซ่ท่านสีเท็ดสีลาบดอกอาจารย์มาเอ้ยหารุนที่เอาไวด้ดีดูกหลวงคนใไ้วางกันอันนี้คือกันกนะ็ไปถ้ำวัดอาจารย์เรขคนณไงเขียนเรียกถ้ะไปท้ำวัดถึงจะไหวท่ดวอาจารย์เด้ยหารุนคนอนอยสฉลเห็นนกเท็ดลาบแล้วงไปหา้เอารานยมึงไงนะเข้าไ ก็ครับต้องพูเยอ่ดีสักแอย่างเนี่มาเบอเจ็บทองนึ่เจ็บองหนึ่ออกมามนเจ็บทองบ่น้าพี่น้องู่ร้างร้ายมดนึ่เจ็บทองออกมามันนี่เลยจ้าคณะแล้วครับโว้ยนับวได้หรอันย่างน้นีวันหยุดวัวไดก็ยังว่าวันนวดวัววนเาน เขาข้าใจเรามปัน <invention> บ้านวัดเขาไจุดจีนพิบายนั่งเรียังเหนันร่ารเป็นวัโอเอามาบราัเสยดขาไว้เ่องหาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาว่าปลาปลาปลาปลาปลาปลาปาปลาปลาปลาปลาปลาลาาปลาาปาปาปลาปาปลลาปลาาปลาปลาป ทจังเกลที่ขนันก็ไม่มีามถูกต้องเขาไม่สนใจที่จะไปฟังโูคนที่ชวยเขาวันนี้ผมกายาม่วยเขาแต่ไม่ใวาจะมีามรู้่ตทีจราโยชิจิารุโทีอบิวาจาสีจะจำตาบุญจาริโนจักรุถ้ามองวจันติอาญิวนสุขังปันหลับฝันไุปุก็มิไดทั้งเยอบทิ่หายไม่ดีสายดีตอนไหนดีก็ส่งสืม ตอนไหนชั่วก็ขีดกันพ่อดีแม่ดีกูดีอาดีกูดีอาจารย์ดีตอนไหนทำผิดก็กีดกันตอนไหนทำถูกก็ถูกเสริมเสริมล่อยและไข่ได้เป็นถูกก็นาความสงสารชิดใจด้วยคนทุกไม่ร่วงละเมิดชี้หน้ไม่ร่วงล ะ, ะเมิดระบายยมุก ก็นาความกุศลช่วยคนทุกม์มุทิตาความพอยังดีมั่วหมื่นได้ดีเมื่อเว้นจากโทษแล้วพอินดีด้วยเมื่อข้าวหวันมาจากใครนะครับฮะสิบเอจะแสดงตรงนี้เขาวหวานเนยในกเ้วยไหมสิบเอ็ดอของแกบอกไม่สบาย่ไหตั้งสี่เอ็ดเป็นนี่ห้วุ้นเดียวอย่เ้ยใช่ครับทั้งรอเอเนี่ยเอ็ดเอ็อ็เี่ย ก็เขาว่าเห็ดก็ดอกเครื่องเทศว่าดอกหมอเห็ดมันเกิดอีกส่วนหนึ่งมั น, quality, ม น, มนถือ น, นั่นมันเกิดว <t> ่าเป็นอย่าะส่วนนี้หมอว่าเฮ็ดเราสืบไปหาเงืนไปเขาสมาคมลาวั่นของมันเครื่องหนึ่งถอยวัดเคร่งนึงผม่ึงเหต์ไปทั่วแล้วไ้คณะกรรมการเครื่องนึงบอกว่าแมนแน่ว ผมเลยบวั น, นันมันจัผมเล่ยพมา ก, ก็มั่นเด้มนันวามเจ้าลูกยืนลองคอไปวาดไปวาดในสูงใหญ่เท่าองค์งมมจริงแหละเหตุผลอะไรมาเจาเห็ดล็อกเก็ตเห็ดหนังผมไหวไม่แท้ล็อกเก็ตก็พิตยัยเท่ากันเลยขุ่นกันด่อยเลยเลยเครียดกันกับผมอยูอ่เครียดกับสร้างเครียดสร้างหัวมันจ้ะแล้็แม่ จะกี่เทาหัวจักร็อกแก๊บได้เท่าหัวหัจักเมื่อคืนหั่หัวจักผิดหรือเปล่าก็เขราเข็เี้งร็อกแก๊บหัวหัวจักเมื่อคืนนี่ล่ะเมื่อคืนไสเอาไม้เบิ้งเพืบ่บอกว่างเพื่อนบอกเื่อนิ า, น า, น า, ายยังร็อกแกล็อกแ ก, ก๊ บ, บ ก, บกบบ็ว่แม่งเ็ยเลี้ยูกเฮี้เหรียญจำงเร่องเพรล็อกแก๊บเดี๋ยนี้เทากันค่ายเหรียญนั่นแหละก็เกา่ะล่ะ มันกานเดียวกันแหละเรียกนเกแล้วแก้กันละไรโอ้คนนังร้องพิมาวันที่หลวงปู่ถอนปันนะไ่ได้หรอกพมามันใหญ่ผมเขียนหนังสือมากราบหลวงปู่น้ำคอกราบหลวงปู่โอ้โอเขียนแบบเฮ้คูรู้จักรันแฟรแห่งแบบพวกมึงยังบอกผมจักของ โอ้ยบหูจากว่าเป็นเนทีน่ห้ามเห็ุไ่ได้ห้ามนี่แหละบวมนแน่วบวม น, นีแน่วสมาคมอยากช่วยคนจนเขาว่าเอาช่วยมึงกับไปพระพวกกรรมการก็ควักเงินตัวเองไปช่วยแน่นอช่วยในทะางม่ใชที่ีมันบวมนี่แน่วนอหลวควักเงินตัวเองไปช่วยช่ในทางไม่ <laughs> ้ที่ผีมันบมนีแน่วทมหาพระหลวงปูไป่ไว เอาหลวงปู่ไปหาเงินหเดือนมง่ันบาทสิฉันฉันให้ผมพาไปหาหลวงปู่ีโอ้ก็คืออันเดียวกันนั่นแหละจ้างไปเดี๋ยวเปนดีด้าบ่เบ่ว่าได้หรอกผมนั่งยวนเคยนั่งยวนจนพว่ามีคนมากราบเหตุมาถวายบ่าเอาได้เจนั่นเห็มาถวายบ่ได้เอาอะไร ให้หลวงพ่อปุกเสกแล้วก็จำหน่ายได้กับเป็นเงินวัดเป็นระเฮ็ดนก็่เอาเฮ็ดแต่ว่า เ, เ, าเป็นอยางเพิลก็ว่าเดจะค้องืจะให้ไม่กลียดเปิก็ ว, กว่าเอาเลยบัดไปแล้วผมถามมันเฮ็ดมันก็พเพราะเฮ็ดยู้เพิ่ขันมันเฮ็ดดีหลีบัดเฮ็ดมาถวายจากพันสองพันอัน มันเห็ุขายเป็นสิบหล่กเหขายตามหลังเป็นสิบหลอเนี่มันได้เท่าไหร่มันแนวกี่บมันบนคัดของเลยบอกนบย่อมดอกอย่าไปผีบาเียเลยผมอีกเลยเขีเีามมน เพราะเมตตาเนี่ยเดกําลังมีป hmm. Hi. ัญหาบ้านมันไรอยู so, um, ่ทุกเดือนเลยไลสิไไปใส่มมีมันอยู่วันเงินกับหมีร่างเงี้ยว้ัมีก็ตามมาเลยครับสามสีนดทุกคนเพราตอนนี้มันเกิดนว่าแบบถ้าเกิดตามใหนังสืออท่ก็เป็นช่วงที่รับักท่าอรบคือแป็นว่าเหมือนอะไรนั่นเดียวจรงจริงไม่ต้องเสมอในช่วงนั้นอยู่ ก็เลยกวว่ามันจะจาลงไปรมว่ามันรู้จักกล้าหรือจางลงไปจะส่งเพอัน้ได้อย่างไรไม่ว่าจะไม่รู้ว่าจะส่งสาวะนี้ได้อย่างไรคือกัว่ามันจะตางลงพราะตอนนี้คือสติเขาเนี่ยตอนนี้ก็มากแล้วถ้ามากเขาเป็นญาสติมากเขาปัญญามากปัญญามากแปัญญาเริมเริ่มเริ่ม สติมะชันยะธรรมะชันยะก็คือตัวกัญญานี่ยธรรมะชัญญะความรู้สกสติความลเยดมากธรรมะชัญญะความรู้สึกมีธรรมารมากสองเนี่ยสติความละดมากธรรมะชันยะความรู้สกมีปารามามันไม่ผิ็แตถูกมากก็ไม่ผิด้ว่ามันถอจะมากแล้วมันไม่ผมันมี่ถูกก็ถูกม่เปลี่นดอกแต่ มักก็คือสติองสติอยู่ที่ไหนมัที่นันสติมากผลก็ผลของสติสติสติเป็นตัวสมนยึกัน่ีสติอยู่ทุกิริยาหมดก็มีผลของสติอยู่ทุกิริยาหมเหมือนกันนี่สัมมาเญยะอยู่ทุกิริยาหมดก็ผลของสัมเกะก็มีอยู่ทุกิริยาหมมันก็ยุดกันอยู่เหมือนเงา มีสัมปติมีสติอยู่ทุกเมือ่อก็มีผลของสติอยู่ทุกเมือ่อเพรว่าตอนนี้เขาก็ใั้กรรมฐานเสรู้สึกลัวเกืบตลอดหรือว่าเขารู้ตอนนี้เขารู้สึกตัวเกบตลอดนะครับ ต, ต, ตั้งยางไรกรรมฐานใดตรู้กรรมฐานนั่นก็ถูกเลแต่เป็นาเป็นกายานีต้องเนนามถึไงไ ถ้ามีการสัมพยตมองก็มีกายานุพจนะถ้ามีเศรษฐกิจล้วนๆก็เป็นจิตกายานุพจนากายก็ตามเวทนาก็ตามจิตก็ตามเกิดขึ้นแล้มันก็ดับไปเหมือนกันก็ล่วงไปลงไปแล้วถ้าถึงระดับนี้จะมีสิ่ปล่อยลงไหมเรื่างอะไหรือว่าเป็นความเกยชินไปแล้วถ้าถึงว่าสวาวันมันก็ไม่เสื่อมถ้าไม่ถึงมันก็เสื่อมเพราะตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งรือเกิด ที่สิ่งที่ถึงมันสิ like ่งที okay? ่มัน <bipart> ถ <is anship> <speaking than incredible rainbow> ึงข <sh> ั้วตัดาบมันมันก็ไม่เสียดายอยากลองระมัดชิ้นห้ามันก็ไม่เสียดาอยากซื้อศาสตราอื่นอันั้นมันถึงพั้วดาบถ้ามันเสียดายอย่ากลองระมัดชิ้นห้าอยู่มันก็ยังไม่ถึงมันก็ยังเป็นโลกีมันก็เสื่อมอยู่มอนกันต้องดูตัวเองต้องดูตัวเองถ้ามันเสียดายอยากลองระมัดชิ้นห้าอยู่มันก็เสื่อมถ้ามันเสียดายอยากทดลงระเมัดระบายยุบอยู่มันก็เสื่อมเหมือนกัน ถ้ามันเสียดายอยากไปลวงผู้หญิงลูกเขาสวยๆนั่ยมันก็เสื่อมเหมือนกันมันก็เสื่อมเหมือนกันเพราะมันผิดกรรมเยที่วิชากรรมมันก็เสื่อมมันก็เป็นโลกีถ้ามันไปไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เสื่อมมันสอบได้ง่ายๆอ่ะ เสดายอยากจะไปลวงผู้หญิง อ, อยู่ยังไงเนาะกูจงจะลวงมันมาได้อย่างนี้มันมันก็เสื่อมจริงๆอันนเสีดายากทอะไรเมื่อจะฆ่าสัต์หรือจกโกหกพุกลมเขาหรืออยากลื่มซุรามีอะไรเสียดายอยากลื่มซุรามีอะไรเสีดายเสีดายอากโกหกพุกลมอย่างนี้มันก็นกเสื่อ ม, มเหมือนกันภาวนา ถ้าไม่เสียดายสิ่งเหนี้มันก็ไม่เสื่อมอยู่อย่างไรมันก็สบายเนียพราะมันกิเลสกับหยาบมันขาดไปแล้วมันไม่มารบกวนเสียดายอยากค่าสัต์มันก็เสื่อมเหมือนกันยุ่งตัวหนึ่งมันัดมึงเชออย่างนี้มันกมันก็เสื่อมเหมือนกันถ้ามันไม่เสียดายมันก็ไม่เสื่อมทางไหนาไัไมได้ฮะพอมันเห็นโทษมันก็ไม่เสียดายกับเสื่อม ถ้ามันไม่เห็นโทษมันก็เสียดายอยากจะร่วงละเมิดถ้ามันเห็นโทษพอแล้วมันก็ไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดเห็นโทษก็ไม่ทําำเห็นโทษก็ไม่ทำเองมันไม่เสียดายอยากร่วงมันไม่เส ouais ียดายอยากทําโทษมันไม่เสียดายอยากฆ่าสัตรูฆ่าศัตรูพูดผิดในทามไม่เสียดายอยากพูดปลดไม่เสียดายอยากดีของุรามีอัไรไม่เสียดายเลยไม่ระวังยากก็ไม่เสียดายก็ไม่ระวังยากเขาเรียกว่ามันมีเสียดายรู้สติ เขา้าในะมีพุท ธ, ธาธรรมาสังคานุ้สติศีรานุูสติอยู่ในตัวเนรรี่จะบริกรรมตุงๆหรือไ่บริกรรมตุงๆมันกมีศีราะรู้สติอยู่ในตัวนี่ยครับลูกใหญ่พอครับนี่โอ้ตามมาหาตามมาอนกันไว้ว่าวันนี้เขาจะมาคุยเรื่องอะไรรึเครับเขาสนใจเข เด็กสองคนเนี่ยเขาสุด ข, ขดสนใจจะพ้นทุกเด็กสองชนของคนมันยากเหลือเกินเด็กขนาดนี้เขาสนใจขนาดนี้มันหายากเนะมีจจะมันไปอยู่กับสิ่งที่สนุกเด็กขนาดนี้สนใจทําขนาดนี้นะหายากเพราะราดคนก็ยังมีคนหนึ่งเนาะพรอมนี้ก่อนเป็นป harma จวัฒที่มุกดาหารนี่เป็นอยู่สี่ปีน ะ, ะมาอยู่มุกดาหารนี่ห้าปีแล้วไปช่วยช่วยอยู่ปีก็เกษียณเมื่อวันที่หนึ่งตุลาทีนี่ตกใจ เรียวทำงานงเคเออหนังสือเนี่ยไม่ต้องเอามาส่งหรอกเอาไปเลยเพราะมันมีมากอยู่แลก็ก็ขอให้รู น, นะงเป็นนิ่งวัของผูกผมนี้ในอนาคะครับเพราะว่าวันเกิดอาทิตย์หน้าวันหน้านี้คงลุ่มานานมาไได้เพราะวันต่อองขออาทิย์วตอนจะาเกิดแก่แก่ตายอีกเล้วมันยากโลกอันนี้ แกากินมากี้เยอะนี่แกมาได้มาเสียเยอะนี่แกมาแกมาแกมาตายเยอะนี่อกมารักษาพ ญ, ญาธโรคค่าสารพัดไม่ยังมีกรรมอยู่ก็ต้องเกิดมาถ้าพ้านจากกรรมแล้วก็เข้าสู่เขาไม่ฟางกรรมคือสิริยาเทียมทำเรื่องกายเรื่กายเกรรมทํารื่อวาจาเรียกว่าชีกรรมทํ า, ารื่อใจเรียกว่าโนกรรม คำพร้อมชั้นสามก็จะว่าไตรสว่างหรือไตรซำคำบุญก็เป็นบุญอยู่ที่ตายลอยใจใจคำบาป ก, ก็เป็นบาปอยู่ที่นี่ถ้าบุญพอแล้วบาปก็ละพอแล้วบุญก็สร้างพอแล้วก็เข้าสู่เขา้านิพพานไปก็มาใช่ไหมใช่ศีลของตนเอง เกอสโจกแกเ จ, าเจตายเมื่อเบือนายเกิดแก่บตายแล้วก็ไม่มาเกิดอีกเมื่อเบือนายก็โรกรธงของตนแล้วก็ไม่ได้มาเกิดอีกก็เข้าสู่พระเยสารตอนสักรับทั้งหลายไปตามกรรมอยู่ํากรรมของไข่ความหมาย มโนกรรมพาไปมโนกรรมพาอยู่มโนกรรมพานนกพาคิดกรรมทั้งหลายนี่มโนกรรมเป็นต้นสาเหตุของกรรมทั้งหลายเมื่อยังมีมโนกรรมอยู่ตามได้ก็ต้องมาเกิดแก่แก่ตายอยู่ตามนั้นเมื่อข้ามทะเลหลงของใจแล้วของกรรมแล้ว ของมนกกรรมเนี่ยก็เข้าสู่พรนิพานไปสักไม่จะมาใช่หนี่ใช่สินอีกทำไมสัพทั้งหลายจึงมีตาเพราะชอบเล็งแรดูลกูกไม่เบื่อไม่นายสับทั้งหลายทำไมจึงมีหีเพราะชอบฟังเสียงไม่เบื่อไม่นาย สัตว์ทั้งหลายทำไมจึงมีสมูเพราะชอบลวมจินรวมสินไม่เบือ่อไม่น่ายทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีริ้นชอบเลี่มรถไม่เบือ่อไม่น่ายทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีกายชอบเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบกระเทือนหรือสัมผัสกับกายยังไม่เบือ่อไม่น่ายทำไมสัตว์ทั้งหลาย ยังมีใจพระสัตว์ทั้งหลายชอบนึกคิดไม่เบื่อไม่นายสัตว์ทั้งหลายจึงท่องเที่ยวอยู่ในโลกตาโลกหูโลกกมูโลกโลกลิ้นโลกกายโลกใจอยู่อย่างนี้แล้วส่วนวพระผู้อรหันต์ท่านเบื่อหน่ายแล้วทำไมยินดียินได้ในโลกเสียงกลิ่นรสรลิ่นสภาธรรมารุมใดใดทั้งสิ้น ไม่ยินดีในตาหูษ์จงเรื่องกายใจใดๆทั้งสิ้นท่านท่านจึงข้ามทะเลหลงไปรักแต่พวกเรายังเป็นข้าเป็นธาธทาสกิเลสและความหลงอยู่ทำไมยังเป็นข้าเป็นธาธทาสกิเลสความหลงของตนอยู่พระปัญญายังอ่อนยังไม่เหนือจากความหลงของตนนําเป็นก็ จีเรก็ต้องทไสหันขวาหันอยู่น like <st unlikely> ี่บังคับให้อยู่ให้โดนให้นั่งให้นอนให้นึกคห้ยิบบังคับให้ยินดียินร้ายวนเวียนอยู่เมื่อรถเป็นสามชนิดเมื่อรถโลภรถโกรธรถหลงวนเวียนอยู่ในสังสารวัตคือรถโกรธหลง ถ้าปัญญาเหนือโลกโกรธหลงไปแล้วโลกโกรธหลงก็ทั้งอยู่ไม่ได้ต่างคนก็ตั้งเขาต่างคนก็ต่างเข้าสู่พระนรพลันไปรักเมื่อยังเป็นธาตโลกโกรธหลงอยูตามใด <c oughs> ก็จําเป็นจะได้มาท่อเที่ยวในวัด ต, ต้ยสงสารอยู่ตามนั่นหนทางเพื่อจะเข้าสู่ข้ามทะเล <c oughs> โลกทะเลโกรธทะเลหลง <c oughs> ก็คือความไม่โลก ก็คือความไม่โลภไม่โกรธก็คือความไม่หลงจึงจะข้ามได้ความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็คือตัวศีลสมาธิปัญญาเราดีดนี่เองถ้าปัญญาเหนือความหลงแล้วความหลงก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าปัญญาอ่อนกว่าความหลงความหลงก็มีอานาจถ้าสว่าง แข็งแกร่งกว่ามืดมืดก็ตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนพระ อ, อาทิตย์ไม่มีเมฆความหมอกม า, ก ม, ามาบางังเดี๋ยวนี้ความมืดเพ่งความมืดเพี่งไปไหนไม่ทราบเพราะอานาจของแสงสว่างพระ อ, อาทิตย์ขับมืดหนีทั้ในใดก็ดีเมื่อปัญญาของเราแก่ก้ามาจึงจะขับ โรบโกวดหลงไปได้ต้องอาศัยฐานวัตศีรวัดภาวนาวัดเป็นเครื่องสองทางต่อสู้กับโรคกวดหลงความเกิดความเก๋ความเก็บ ค, ความตายเป็นทุกข์ทุกสิ่งเหล่านี้พวกเราเคยชินมาแล้ว ก็เลยไม่รู้จักเงื่อนจะออกเงินต้นเนงินตายก็เลยติดคุกเกิดคุกแก่คุกเก็บ ค, ค, คุกตายอยู่ในวราราของสารผู้เริ่มใช้ในพุทธศาสนาะในคอนสอนพระพุทธศาสนาะมองเห็นทนทางออกบ้าง ถ้ายังไม่เริ่มใสในพุทธศาสนาความองถืนวนทางไว้ออกเลยทาไมเราจึงอาบนา้าเพราะร่างกายมันสกปรกเราก็ปฏิเสธอาบน้ำไม่ได้ร่างกายมันสกปรกทําไมเราจึงปฏิบัติศีลธรรมเพราะกิเลสของเรามีอยู่จริงๆปฏิเสธไม่ได้โรคปวดหลงเข้าของเรามีอยู่แล้วก็ปฏิเสธเพื่อบรรเทาโรคปวดหลงไม่ได้ ว่าพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนว่าพุทธศาสนาอยู่ที่ใจของแต่ละท่านแต่ละคนไม่ได่อยู่ในตัวหนังสือภายนอกของใครของมันไม่ได่อยู่ในหมู่ในคณะอยู่ในจิตใจแต่ละท่านแต่ละคนของใครของมันมีอิสระ นอกจากใจก็มไม่มีอะไรจะทำดีให้ใจนอกจากใจก็ไมนมีอะไรจะทำชั่วให้ใจใจเท่านั้นทำดีทำชั่วให้ตนเองเรีนฟ้าอากาศม่ได้ทำให้สาสนาใดๆก็มีใจเป็นหัวหน้ากายว่าจะอยู่ข้างหลัง แต่การบัญญัติความดีความชั่วผู้มีกิเลสมากก็บัญญัติเข้าข้างตัวมากผู้มีกิเลสน้อยก็บัญญัติเข้าข้างตัวน้อยผู้ไม่มีกิเลสเลยก็บัญญัติเข้าธรรมะตรงโตของธรรมะโดยทายเดียวความผิดถูกมันถูกอยู่ทุกท่าน ใครเห็นในชั้นใดก็ถูกชั้นของใครของมันชั้นมแมลงวันมันก็มีความเห็นถูกในชั้นของมันมแมลงผู้แมลงพึ่งมันก็เห็นถูกในชั้นของมันมันก็ว่าประชาธิปไตยมันเหมือนกันเช่นยุงมันก็มีความเห็นถูกของมันเหมือนกันยุงลิ้น หรือแม่งงูปูปีมันก็บอกว่ามันถูกแต่มันก็ถูกของมันมนุษย์ก็บอกว่าตนถูกแต่ก็ถูกตามของมนุษย์ก็มีหลายชั้นผู้บัญญัติความดีความชั่วถูกผู้มีกิเลสน้อยก็บัญญัติความดีความชั่วถูกตามสติกําลังของตน ผู้มีกิเลสมากก็บญญรรยักิความดีความชั่วผิดไปมากแต่พระธมารถพระพุทธเจ้าบัญญัติไม่เข้าข้างตัวไม่เข้าข้างพักของตัวเพราะท่านไม่มีกิเลสแต่พวกเราเมื่อกิเลสอยู่ในชั้นใดเราก็บญญรรยักิถูกชั้นนั้นจะบัญญัติขึดชั้นนั้นเราเรียนชั้นประสมหนึง่งก็ถูกตามชั้นประสมหนึ่งของเรา เขาเรียนชั้นประมสอ ง, สองเขาก็ถูกตามชั้นประมสองข อ, องเขาตลอดถึงปริญญ า, านานาจิดตังนานาสมองคิดใจก็ไม่อยู่ในระดับเดียวกันใครดียอยู่ในระดับใดก็ถือว่าถูกในระดับนั้นใครจะเป็นผู้มาตัดสินให้แล้วก็ผู้เหยียบไฟก็ไฟตัดสินให้ ผู้ดืม่นมน้ำน้ำก็ตัดสินให้ผู้นึกไปในทางดีความดีก็ตัดสินให้ผู้นึกไปทางโกรธความโกรธก็ตัดสินให้ผู้นึกไปทางเบียดเบียนความเบียดเบียนก็ตัดสินให้ผู้นึกเมตตาความเมตตาก็ตัดสินให้รถของเมตตาค ด, ดีดำคดีแดงในโรงในศาลมันจบเกษียณเป็นกรรมและผลของกรรมจบเกษียณไม่เป็น เหตุกับผลก็มาหางกันพอเก้าเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุฟังผลก็ฟังเหตุสงสัยผลก็สงสัยเหตุไม่สงสัยผลก็ไม่สงสัยเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าของใครของมัน พระบรมศสราสดาก็บอกว่าเราเป็นเพียงขี้บอกก็หายน้ําก็ดื่มเองเราลืมแทนไม่ได้ห่วงนอนก็นอนเองเรานอนแทนเราแทนไม่ได้เนืยออาหารก็ทานเองเราทานแทนไม่ได้แต่เราเป็นเพียงขี้บอกเท่านั้น ต้องมีอิสระอยู่กับแต่ล้ท่านกต่ะคนการเลื่อมใสพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันให้มีอิสระอยู่ทุกท่านเพ้่อเดียวกับเจ้าของที่มีอิสระเองดังสังคีตทโกเห็นเองถ้าว่ามีสินจ้างรางวันให้เลื่อมใสมด เงินมันก็ขบวัตคืนท่านพูดอย่างนั้นถ้าเห็นเองท่านพูดอย่างนั้นจะเรื่องใส่อนไดก็ให้เห็นเองจะเชื่ออันไหนก็ให้เห็นเองถ้าไม่เห็นเองถ้ามีสินจ้างรางวัลให้เห็นให้เชื่อเพราะหมดเงินมันก็ขบวัตคืนเหตุ น, นั่นจกกึงตอให้มีอิสระท่านพูดอย่างนั้นเราเพืสอศาสตร์น ฉันที่โกให้เห็นเองอยู่ทุกท่านความเห็นเองพระสวราบันเห็นเองพระกัจาคกามีก็เห็นเองพระอนาคามีก็เห็นเองพระอรหันต์ก็เห็นเอ ง, ง, เเองมีอิสระเองคนเรามีอิสระทุกๆ ท, ท่านแต่ย่ามีอิสระในทางทำชั่วถือจงมีอิสระในทางทำดี จงพูดใจถึงในทางทาดีอย่าพู่ใจถึงในทางทำกกงทงทงชัว่วอะราคุตเจ้าทำแล้วก็ทำให้ตนเองทาดีก็ทำให้ตนเองทำชั่วก็ทำให้ตนเองนึกไปในทางดีก็นึกให้ใจนึกไปทางชั่วก็นึกให้ใจคนอื่นไม่ได้แย่งมารับเหตุผลด้วยตาหูจมูกเลี้ยกายก็ไ ม, ไม่ไม่ได้มารับแย่งผลของการนึกคิดพราความนึกคิดเองได้รับผลเอง พระพุทธศาสนาสวรทางมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัตินิพานสมบัติแล้วอบายยมุกทุกประเภทศถ้าเล่นแล้วกเป็นมนุษย์สมบัติถ้าไม่เล่นก็ตรงกันข้ามเป็นมนุษย์วิบัติเป็นสวรรค์นิบัติเป็นพรมนิบัติเป็นนิพพานนิบัติใจในตัวด้วยเอาเอาาย่างไหมหยดไหมยกเขาเข้าที่เข้าที่หน้าอกอยังอายุชิห้าปี เข ไ, ได้ยังว่าเขาเ ข, ขาเียขาน้า อ, อกนิตกลงมาก็ถอดลูกก็เฝ่าออกมันก็บอกว่าก็กาก็กาสองคำก็เลยตายมันจะบอกว่ามึงเถอะมึงเถอะมันจะว่าอย่างไะ เวลาเราทำดีเราก็พอใจทำเวลามันได้รับผลมันก็ได้รับผลอย่างพอใจตอนไหนทำดีทำตอนที่ได้กอบอุตสาระหลวงปู่มัน่นพอใจทำเวลาได้รับผลมันก็ได้รับผลอย่างพอใจรับผลอะไรว่าถ้าก็แย่งกันเอานี่มือแย่งเข้าเกาะออกแย่งเข้าเกาะออก ก็อั น, นสงเคยกอบอุจระหลวงปู่มั่นเองส่วนข้างชั่วพอใจทํามันก็ได้รับอั น, นสงเต็มภูมิเลยเคยได้จับโคจับโคช่วยตอนเขาจับโคช่วยเขาตอนพอถึงสองพันห้ารอยิบสองลูกอันธะก็ระเบิดแค่นี้นั่งนั่ง น, นั่ง เคยได้ดักเปปลาไหลไอ้สิหนเคยได้ดักเวทปลาไหลจอายุสิห้าปีธรรมดาปลาไหลกินแบบลงท้องต้องแวกเอานี้เกิดถูน้าดีเป็นเนี่เกิดถุงน้าดีเป็นเนี้ยก็เอาไปองโรงพยาบาลซีนสครินเขาก็ตรวจดูโรคเขาก็ยัดสายยางลงนี่ก็อันเดียวก็ปลาไหลกินแบบนั่นอ้าอาาาาาา เห็นกับชาต์เล ย, ยเห็นกับชาติเลยจริงที่ทําไม่ดีก็เห็นกับชาติสิ่งที่ทําดีก็เห็นกับชาติถ้าเราตายไปก่อนมันก็ไม่เห็นละอันนี้เราอายุยืนขนาดเจ็ดสิแปดสิปีเราจริงลูกอยากข้าพระเจ้าทําอะไรหนอจึงได้รับผลอย่างนี้มองยืนดูในชาตินี่มันเห็นจริงจริงนั่นเคยได้ผูก เอวปบเที่ยวไปเรื่องโครเรื่องกระบือ้อตายทีไหนก็เผากินตายทีไหนก็เป้กินนี่ได้ใส่ชํากัดของงูไว้เนี่ยนี่นี่นี่รักเอวอยู่นี่นั่นเนี่ยเนี น, น, น, น, น, นเห็นชัดไม่ต้องเห็นคนอื่นหเห็นตนเองเลยผลนายรับเห็นตนเองเลยเอาตนเป็นพยานเลยเคยได้จุดป่าดักนกอายุสิบห้าปี จุดป่ามันก็ไหม้ไปตามโคกตามอะไรไปจุดป่าดักนกพอมาถึงห้วยสายสองพันสี่ร้อยกาสบกไฟไม่กุฏิเซ็ตเลยหรือจะผ้าคาตัว <c oughs> นั่นนั่นนั <c> ่น <oughs> <c oughs> นั่นเห็นไหมนั่นไไม่กุฏิเลยเช็ตเลยยันแกฆ่าผ้าคาตัวกดมุ่งอะไรไม่เซ็ต คือจริงๆที่กรรมและผลของกรรมถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันคดีดำคดีแดงในลรงในศสารมันจบกเกษียณเป็นแล้วเรามศา ศ, า ศ, าศา พ, รพระโมกคลาขึ้นไปภูเขาคิชกูดไปเห็นเปรตแล้วไปเยี่ยม พระพุทธเจ้าเยี่มอะไรพระจะไปด้วยพวกคุณไม่รู้จักได้หนูอี่หนลงไปถึงพระบรมส า, ารีรัตน์จึงจะปพาลูกให้ฟังเดี๋ยวนี้พวกเรามาเที่ยวภูเขาคิชฌกูฏลงไปในรุวันสวนไม้ไผ่ป่าวัดฝ่า จ, จ า, า, า, า, าจึงจะประกาศทูลพระบรมสารีรัตน์พระบรมสารีรัตน์จึงจะเราจึงจะมีพยาน เราคลารถยาวนี่พวกคุณก็ไม่เชื่อเพราะเรามันมีพยานต่อไปเอกก็ยิ้มอีกเออท่านยิ้มอะไรสองข้งสามข้างแคเอออันเก่านั่นแหละลงไปข้างล่างเสียก่อนพระบรมสาราเราจริงจะเล่าให้ฟังพอมาถึงพระบรมศาสราก็กราบทูลพระบรมสารากราบเข้าทูลถวายองค์สมเด็จพระบรมสารา ไปเอ็ดสองปากมีไหมพ่อโราณศาสตร์ก็เธอเห็นแล้วในภูเข า, ก, ากิจกูดใช่ไหมครับเห็นแล้วเธอเลือกว่าจะเล่าให้พวกพระเหล่านี้ฟังพระเหล่านี้คงไม่เข้าใจด้วยเพราะพระเหล่านี้ไม่เป็นตาชิดเหมือนเธอเธอจึงลงมาหาเราเพื่อให้เราเป็นสยานใช่ไหมครับมันก็มีสิ เขาจะทำกรรมอะไรไว้ในชาติมนุษย์ก็จะฆ่าเขาเป็นทนายความกินทั้งโจย์กินทั้งจำเลยเลยกายตายไปก็เป็นตกนรกออกจากนรกไปก็เป็นมาสองฝา ก็เป็นเปรตมาสองปากอยู่นี่หลายแสนปีเขาก็ออกจากมนุกมาเขาอยู่ในที่นี่เขาก็หลายแสนปี เ, เขาทำใจชา่าก่อนเขากินทั้งจำเลยทั้งโจ์กินสินบนเหตุฉะนั้นเขาจึงตายจากมนุษย์แล้วก็มาตกนรกออกจากนรกแล้วก็มาเป็นเปรตสองปากอยู่นี่ นานขนาดไหนเขาจึงจะพ้นเออนานหลายแสนปีที น, นี้ไปเห็นเตรตเจ้าพวกหนึ่งมีมือยาวเท่าใบตาลไกวไปไกวมาถูกกับดินร่อคางโอยโอยอยู่พระเจ้าข้าเพราะมือของมันลากดินมันเจ็บปวดมัน มุพกรรมเขาทำอะไรแต่ชาก่อนพระเจ้ า, าค่ะเออเขาไปจับต้องกายหญิงอยู่ในวัดตลอดท้าเนื้อกายอะไรในวัดเขาไปจับนมผู้หญิงอยู่ในวัดเขาตายแล้วก็ไปต ก, ตกนรกออกจากนารกมาก็มาเป็นเปรตเปรตจาพวกที่ก้เาเห็น สูงไวไปไวมาตรงเตือตรงเตืออยู่พระเจ้ า, าค่ะล่อกคลางอยู่หนักกรรมเขาทำอะไรไว้ใสะชาก่อนเขาไปถอนหลับให้หลับมาที่ขอทำเศษทำแดนไงแลยว ม, มนก็แย่งเอาที่ดินเขา ตายไปแล้วมันก็ไม <t will S 1> ่มาเป็นปตดเดีที่นี้เออเหนือแน่เลยเขาข้ามมาพูดมากเลยบลวงพ่ิมพ์ิชตกรังหลวอิิตการางหลวงพ่อพิิตหลวงพิชิตสุทางสิ่เมีวัตถุระพิกระิเรียนเทวสังฆาจันโพอนญาโทยศภามวนนี้พิชิรีโยภาพสิตพิมพ์พกับศรกพา มีนาสตุาเตสวัสดิจันทราโลทธีติชายโยโภโตอพิวาทนาสีฐานิจังอชิราปยาโยยัตตารธอตมานิจันติอายวันนสุขังสารด้วยเดชพะพุทธศาสนา อันทรงพระคุณข้ามัมีประมาณและพระทรงมีอยู่ทุกการด้วยมันขึ้นอยู่กับผูรู้และไม่รู้มันขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อและพระเนื้อโลกอยู่ทุกทุคสมัยด้วยเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้พอดีที่มาในมาในที่นี้พอดีก็ตั้งไตรโรกาจงว่าสดจากความสุขความเจริญได้บ่าพระพุทธศาสนาเขาก็สมธาธิพระเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจน ถ, ถึงที่ถูกทุกโดยทชอบโดยด่วนทุกทนหน้าอยู่โดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อคือะอะไรเขา เห้ามไมพูดมากลขาผูกพูดมากแล้วหนื่งแล้วนี่แหละรถ้องจักรยนดเงี้ยงหอกเออเจ้าคิดเกียรตใจให้พาะวานาพุทธโมตทสั้งโคว่าจเป็นจะไปแท้งเขานามแงะที่แงะที่กหน้าให้มันดีเออว่าจาเป็นไปแต่จะไปว่าจำเป็นจะจะไปแท้งเขาผูคับดีว่าได้พ่วนาพุทโคพร้อม เจอรถเอามั้ยามันี่สะมมาเอามิแลาสัมมาเนหลายพุทโธทั้งม้วนังโคนี่้านั่งพุทโธทั้งม้วนั้งโคนี่้านั่งเจมผู้ขับแต่ให้มันขับแต่หนมันดีขับว่ดีมันกิดข้อเก้าข้แล้วมันทำางมเอาไปมา มนอนจิดมนใจเฮ้าน่ะใครขับรถแต่มันดีอันน่ะม้อนมาถึงจักขีดดังยังไปหดรถหลายตัวแล้วมันแห้งเขาเสียงหมดแล้วจักขีดับนี้ยังมันผู้ทัวฉมยอดโค้ทั้ตัวฉมยอดโค้ผู้ตัวฉมยอดโค้นี่ผ้านั่งด้วยเด็ดขึ้นะ้าคุณกระทำประสงค์ลงบันดานด่านไปทบจะความสุขความเจริญจะมียนจะไล่ใดๆทั้งสิ้นรู้สุกมือ เรามีประมาณก็าขาเถอเอากำหนดเรื่องเนี้แล้วเอาเนี่ยเอาอันนี้เอาซื้อแพ่งมารถนะอ๋อหลายแสนอมอ่อ่าจำเป็นจะไปแทงเขาแคงทั้งปอดไแล้วไปแค่งทั้งพื้นผายครับรถ แข่งทั้งปอดไถ่และแขงทั้งพึงหายอุบายไหสิปอดไ่แ่เอาหนั่นล่ะเติรถเลยนะแขงทั้งพึงายแต่มได้ว่หันโดนเข่งวล่ะง้คุยสือตมันกินนิดทา้งนั้นมูนึงทังกินนทั้งนี้มูนึงเหรอว่างมันดีขันเท่าแล้วไปใกล้ปกคลาดขึือนว่ามหาโม่เกียวกันนะแต่ว่าม่เดียวกันห้องเบลแต่สองยุยสองรอบทั้งนี้ยุสองรอบทั้งนี้ขันเท่าไปใกล้กคลาดเือนวารว่างังมันดีอันนั้น กบันสามแงกครัมัดสองแงะสามแงะคือการมันไปตะเว็ย้ยนถูกเข้าไปนั่นหละเจอมลน่ซีแงะนีคือการเข้าไปแทรกมันบอกวัีเราไม่ยอมให้ถึงกอนเข้ากัดเขียวจะมามันกัดเขียวจะเข้าเริ่มไปที่เราห้ามนะาที่หัวตะให้ไปห้าเนี่ยตั้งคนตกัดแขียวซะกันถือผนมันถือบัคีเราเน่ะในนัขั้นหลังมากขั้นหนามากกับเพียงละนั่น ว่าจำเป็นก็ไปเห็ดว่าคันว่าเป็นมันว่าเ ป, าเปตาให้เห่าคืน น, าน้าเลยย่าจะไปเฮ็ดมันไป ก, ก, ก็ไปกินเหล้าเมากินเหล้าเมาก็เรื่องหรอกเออขับรถจะไปกินเหล้าเมาเพอานซึมๆนึ่จะกินอันรถเต็ม นัเนี่ยน้ำมนน้ำมันเช็ดตัวจะข้อมันแค่แล้วพอไแค่โยกั๊บจะข้อมันแล้วพอเห็นเครื่องวุ้นไช่รืเราอันจะได้เสื้ออันนั้นเดีวไม่ไหวหล่ะงานของคนเราสั่นไปส้นกับเขาสั่นหูผู้ว่าอาจารย์เต็มอยู่หันมาจัดหูฟ้ายจะหกฟ้ายมาจักจำหรอดอันนี้่าจัดจำหอดตรงนี้เป็นตะพัดอย่ไฟมันนี่กเต็มมเรื่องเพือนเพ่เป็นแค่โตกินเหล้าเมาบ๊ว เน่าน้มัเปลี่ยนทางยะสองเจ้าเด็กพุทธส้นคือมูโต้กันล่ะเป็นมูโต้เด็อพุทธ้นคนหนาคนดีเองเนียฮะวาแมนทารยะเจ้าดอกส้นเก่งเสียงเก่งเคยติจเนี่ยอ๋อมันถึงนั้นอริยะเจ้ามาจะใสอาริยะส้นน่ะนะฮะส้นเก่งเสียงเก่งเคติดใจ สีเพียนพระมหาธรรมสเม่ได้เป็นหัวมันเหี้ไปใ่ไหมได้บุเลกได้ก็ดีขอเป็นขาเป็นาถ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตกงมือขอซึงึพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตรงมือบ่มีประมาตกลาบเจ้าเถ่าขอสูพคนผ้าบเลิกได้บเลิกได้ก็ดีขอ ขมาโทษด้วยกายว่าใจใจต่อพระพุะทธเจ้าพระสงฆ์อยู่สมาวัมพีประมาณการต่อเถ่าข้าวซูขันิพานผนจากทุกในิวาจสงสารอยู่สมงอราวัมีประมาณา ก, าขาาากาองงาาณกขาถินะถึงตลราบอกกระพบกายผ้ายกระกพบไก่ผีไถ่กระพบมหาขึ้นไปลถไปลากกัะพบหน้าพระโตษ์ไปปามาเมื่อกับพระหน้าพรโตษ์ทำเมืสังฆ้อายุนำการไถ่ละบรรดยุบันอืน่นยู่ใจเท่านั ภาวา อ, อ, อักษรย่อหรอสีเานันก็ น, นอนนรับข้าภาวน่าพุทธะงาเอาไว้ทุกขาเก่าออกเดินพุทธขาขวากโท้อขาสาสายพุดธขาสายกะท้อขาขวะแล้วจะสนัสชวนยืนก็ยืนพอหน่า่วนนั่งก็นั่งพวาวน่านั่งพท่เทียบก็ได้นั่ง น, น, นุ่มยอก็ได้ นั่งจะไหนก็ได้นั่งคัดสมสาธิก็ได้นอนกับเว้นไวจแต่วัดรับไปแล้วก็แล้วไปนอนก็เพราวานาพุทธทอดฟ้องว่ารมให้ใจเขาออกรับฆ่ากันตื่นขึ้นมากกวายสามที่สะ ก, กันไปทำงนานพุ ท, ทธทอดทัมโมทังโกมันจำเป็นคนมมพอวัดนอนกับช่อนอนถุกถุมแบบสามวายสาที่ส ก, กันพุ ท, ทธทอทัโมสังโกกคนจะนอนนอนเบื่อคือว่าคือไขว่บนบนแนว ภาระในเขากล่าว่าหายลููอ๋หลายเลยพนลูกภูจะหายพ่อนเอนะคาววันีว่าหาลาภาิพุลินางกําเลี้ยเมย์วายโตสินงเานังอกปะทมิชิตังสิตังตุ้งฮันสิตเรเมวัชเมชิตุจะเพืู่เลนี่างก๊าปายจันโทกนารโยามนโทเทรโยาจะพิธิโยวชนสภกรโวนดะตัวเจ้ากงกชาราโยจิาโยโก อาวนีเนสตาาณาามาวันที่อายุวโน้ขังพระหปะกับสุก้กาใส่ลกูออกร่วงอะไร่าเีลกปปนอนมันลัก่อนอเจ้าระสงคยกว่าเตาหัวเสือนพุโทษสมโังโคมาเก็บภาษีถูก เออเออพายเพ่อนักจักไก่นะเนี่อันเดี๋ยเดี๋ยวเออลดลดมันมา้วะบอกเพราะมันมันเบียกยอยู่ยังไงเบีย ก, ย ก, กอยู่ลกอะไรยังไงเพราะท่านแหง แก่ือผีนี่เบื้องโน่นนี่คือดอยผีนี่อดอยผีนี่แต่เป็นุกเป็นชกทุกมือเนอะชกทุกมือเนออยังพกอาหารยังพลาดอันใดพนทุกข์มาตาสงสารเธอเนอะไปนี่ไอโยมันัโน่ทุกขังพลังเน่ทุกมือเนอและปลาเขามาท่ายามันเป็ท่าหลายมือ อาวามันวิตกนเและหอนอะรมาท่ายาท่ายาเพี่ยลลุกมาได้แค่เนี่เปียกวัดแต่เดี๋ยวนี่ว่นนอนมู้นี่ฮะใช่แคเนี่ยอืมทำไมอาจารย์พุทเจ้าสันที่สองพ่อพระเจดสันที noises, wave, ่สามมันคัทตาชีนาศพสันที่สี่พระาคาเมีสันที่ห้าพระคทาคาเมีสันที่หกพระสวัสดาวบัน พระมหาเทระทั้งหลายเ่านี้มเฮ้าทั้งหลายเนทา่า น, นิเพินด้วยกายยกษ์สา ม, ม ก, กีคำชีมโนคำสามอันใดหนึ่งกดีขอให้พระมหาเทระทั้งหลายเาหนี้จงตรงอดวดในแกมมั้าอยู่ตงวลาบ่มประมาณผลชุดไยมัเฮ้าจงะสมจะความสุขความจะเลือยู่งวาบ่มีประมาณกันกบขาเถินแ่ระวงมูเฮ้าทั้งหลายตั้งายต่างเนทา่านพิกันด้กันด้วยกายยกรรสา ม, ม ก, กีคชีมโนคำสามอันใดหนึ่งขอทั้ทงใจโลกธาตก็ดี โม่าทั้งรลายจงแหย่หัวที่กําแก้กันและกันทุกส่วนหนาอยงเมืองโมมีประมาณผลทศถ่ายโม่เฮาทั้งหลายจงผสมจะคว่ำถูกคว่ำจเลืิอได้บอกว่าเรพุทธศาสนาของพระสมัพระุทธเจ้าเย็นๆขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ตงเมืองโมมีประมาณก็ขาดเธอเนื้อสารพังกัังกัมังกุทเดนะเพียงยสมังโลกังบุพาเีติอมโตันเทมาพิวาเทนสีนิสานิจังุตาปิชายโนจตารุธรรมาวทันติ ายาโยโนสุขังพระเอ อ, เ อ, อคนป่วยเนาะยาธนาคารคนป่วยเพี่ยวพุทธเทวาพระอินพอพมพระยมพระการจนาตรโลกพระบานเจ้าที่พระพุทพระท่รพระสง์ยาไัยผู้ขาเป็นบาปเป็นกรรมเด้อเออผู้ขาป่วยผู้ขานอนขยายังไงลุกขึ้นมนานปนตีกงัดเนี่ยเออเป็นชุก ป, ป็นชุกนะ่ะเออ ไปใช้บุญกับ่มมีแก่เก็บตายไปไส้มาคนมีผ้ากับ่มแก่เก็บตายไปไสแก่เก็บตายเป็นได้สังขารละและกอทุกข์อ่ะ พ, น พ, นพนันในพันธุ์ในพ่านว่าเนี่ยว่าร่วมชุกร่วมชุ ก, ชกนั่นหลูกสังขารต้องเป็นอยู่วงสิถ้ากันเป็นชุ ก, กมันทุกถ้าการง้อไปมันจะคำไป อายุวันโน่สุขังพรั่งเน้อบรุกบรรทุกอยู่งมือเด้อไปเออมันว่ไดนใส่ลายมือใส่ยามันเป็นหมั่นแลกไรนอนใส่สอกมือนี่ล้มปูว่นไดนเรียกไร้วัาพระเลกอันนี้ก็ล้มปูจามห่กาะเรียกมันเป็นพระเรียกหรอกล้มปูจามเขาบวันพระเรีก เนี่ไปเ้าเพื่อนวะอืมมีโลกอยู่หลายเนี้ยวเย ล, เ ล, ลนนวเยฮะโลกไตเลื่อนโลกหัวใจโลกทุงนันดีเป็นเนิ้วเนื้อกระโลกก้มแพ เออหลัว่าเนาะหมาตื้นมาเกียงเท้ยหมาตืนหมาเียงถ้าตีงานหกล้านเนี่ ย, ไ, นน ย, ไ, ย ไ, ไม่จบกับผูกอเลยเฮ้ยหแล้วก็แปดชิ้นกลัวเยแล้วไปผูกอะเลม่สหอกเขาผูกอะไรชิหายก็หายร้านเอะม่ะู้สึรอกห อัญโยถมดาบ่มันอัญเลอัญมันรวงไฟมันมันได้มันรวงไถ้าว่ามันได้เพราะอ่างนี้มันจะได้ตายอย่งนี้ก็มันรวงไฟถ้าว่าสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีตายนะใกล้ก็ปีใกล้สิตายก็ปีตายก็เอาแบบนะก่อนท่าไป วัาดีปีไม้ไอ้ทีแท็กปีเก้าเนี่นรัว ม, มากตึ้งขีตึ้งขีจะ ข, ของมัคือเดี๋ยดีปีไม้ผมขอไปกินขีห่อห่อกินขีไกลห่อกินไก่อันเดียวกั น, นกินขีจะของ คันม <ersch> ัคือเสห่วยปาจิงคีห่อหจิงทีห่ออีกจิงว่าจิงก้ายจิงทีจะคองจะคของมักขีเสห์งามกินยาจิงจินเีของอีกจิงเีมึงมึงจิงทีห่ย ในภาคกานสริพระพุทธพระธรรมประสงค์แล้วลึกได้ไว้ได้กว่าดีขอเป็นข่าวเป็นชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทรงเรามีประมามารการฝนตกในมัต่งสงสารในทรงเรามีประมสารถขาเชินนะลึกได้ไว้ได้กว่าีขอเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มเพิ่มเติมแ้วลึกเิมพระเจ้าพเจ้ากุศเพื่อกำจัดไฟเลยทุกคนเนี่ยจูงเรามีประมาณารถตามตัสาวองูคนยิ่านแลลึกได้ไว้ได้กว่าดี นอโตเป็นมนุษย์สมบัตสวร์มบัตทมชมบัดในผานชมบัตทุ่นถวายต่อพรพุทธพระธรร ม, ม, รมาสงฆ์ชงเงา่่ ม, มีความอ้างต่อต่อเท่าของชในผานคนจากทรงเยาวตาสงสาสงรทรงเงาบ่มีความอ้างอาเเรื่องให่เป็ร่งใหญ่กว่านี้ขอเป็นมิ ต, ตริสหายจะสร้างตจโกธาตุอยู่ตรงมืองเขาปฏิกิราเป็นผ้าอยู่ตรกเมืองเพอุิกุชนพ้นบุญอยู่ตรงเมือเขออายยมขไม่ทักักแต่หนึ่งที่ด็กินรทันและสูญทงเพาสร้างตจโรกธาตุ มันมมดว่าบุญน้อยๆบ่แห้งได้หลายบุญน้อยๆล่ะเขาไปอุทิศให้ผู้อื่นแสดงมันก็มัดประสานภาโนนเอาพูดยาวบ่บุญทอดเป็หน้าค้าอย่านี้อุทิศในตัวทั้งแต่โลกัสสัทน์มันก็หลายขึ่นก้อเข่าตัวมันม่กขึ้นแอื่นไ่ะสานกันหอกเขาพูด้มันมัดเลยเผาก็บวงเล่นไฟ่ไปเขาพอในความชุกความเจริญเดืเดียฟ้าผ่าบ้านบ้านเบ่อเบื่อจะพันปารผลิตมันไม่ได้ดอกเห็นมนุษย์มีวัดเห็นสวรรค์มีว cool ัดเป็นพุทธมีวั เป็นนีพานนิพัตขันเล่นเนี่ยมันก็เป็นมนุษย์บมัสวรรค์ชอบมัดท้อมชอบมัดนิพพานสมบมัดแตถ้าบอเล่นอะมันเป็นนิพัตมัดบสื่อมันเป็นท่าอุปมาคือถินพื้นใช้ไฟแลสิแหลกเอาตัวกรรรขึ้นมามันก็นมีจะถีเท่ากันอะเมื่อถิ่นสลายแหงไหม้ลาย้าเขาเล่นมัเนียมันสื่อแมงวัตโตคั่ยได้ลายสวอยู่สื่อเงื่อนสืสร้างได้ลายจะเข้าเด็ด ม, มันก็เห็น ไ, น ไ, น ไ, น ไ, ได้ไหมเงินหน่อยเสียหน่อยเด็ดลายก็ไสลายไที่สำคัญ สร้างไปสวรรภายพาดว น, นองเจ้าสอนในชาติในศีลในสวราคน่าข <c oughs> ้าสมาคมเรียงซีโสกจาขฮ อ, ขอสอนผ่านพระนั่นทุกชนิดละท่างชิ้หายเอาใบายิงมุชิ้หายชึส่งนาเสกฝากเป็นปากแขังคนชิ้หาย ถิ่ใช้คำว่าเต็มเป็นเหวแห้งคว่ำเสียหายถิ่มใช้คำว่าเต็มคือคนดินทมเหวหรือมัเต็มจะเพืพ่อทำภาคนี้คือคําพุนใช้เวลามหาสมุทรทะเลแห่งมันเต็มหวานไปมันก็ว่าเต็มนะพัด น, นี้วัดอ่ะถิ่มพื่นใช้ไฟแล้วแรกเอาดลบกอนขึ้นมาไม่จะขีดเท่า <c oughs> นอ่ในรับค่าพ่อาหนาุโตพามานาพุโตแ ล, แล้วผไม่ชสีหนาละมันกิคอยไรมาเองแบบมันเข้าความแก้วถ้ามไม่เสียไม่ข้ามันมันมาณละพระทจสอนให้ว่าอุทษาตาวิ่งถเจอลังคนมันยอมหาทรัพย์ได้มันทางานในทางสอบหน้ากินแะความฝันมันทางาน่ยวยๆคนลา คนมันยอมหาทรัพย์ได้ม่อมันเรนเรนเรามมันทําการทำงนานตามเศรษฐกิาลั ง, งเขาเศร ก, กิจทั้งหายมันรอดเบสเสมอยมันว่าไหม่ฝึกเศร้าหายเศ้าหน้าเขาบา่ อ, อร่างตั้งว่ามีเขากินกับเพาะกระเพาอดูดูเนืล้ลายๆเขากินบวกนีเอาไปไหว้กระบอกอะไรจะหาซื้ อ, ขอเข่ามากินมีคนก่อ กมาก็บดเจ็ là, này, đó, ân, này, ังมาน้าดอกนีใใจงเดียวตายไปก็บดเจนังไปนําเสีีใใจดงเดียวอเข้าเพื่นให้เอาบุญเอาเครื่องสวนคิดใชใจซะผู้ตายไปนั่นทุกเก่านั่งไปว่ไรไม่เก่านังไปว่าไรเอาไปได้แค่คิดใจมันนะล่ะมาเกิดเก่ามาจะเกิดแค่คิดใจดงเดียวท่องข้อดีเก่าข้อดีไปท่องความชั่วเอาความั่วไป ไปนักใจเะพระพุทธเจ้าสวนทามไแล้วไว้คำว่าเมื่อพระวนาพุทโธเมื่อเห่ายกแใจหัวเมื Bitcoin ่อใจเห่าเห่าก็ได้บุญก็ได้บุญที่ใจถ้าบุญก็ไปบวกบุญที่ใจถ้าเบาก็ไปบวกบาทว่ใจไม่ได้ไปบวกกับคนอื่น ถ้าบุญก็ตอ้ออยุของหบุนด้วยใจถ้าบาปกระต้ออยุของบาปด้วยใจไม่ได้ประต้อเดินฝ้าอากาศไม่ได้ทําให้เดินฟ้าอากาศยังทำใ ห, าาาทให้ห้องนะ่นงนงงนะนั่งคานั่งหายใจใจผ้าบอกนั่งว่อก็ว่าหายใจใจบอกว่านึกก็นึกหายใจใจบอกนึกบอกคิดอย่อื่นมั่วมายากเอาน้ำเดินฝ้าอากาศเพรว่ามายากเอาน้ำ ควบดีกระจายไผู้ได้รับควบชัวกระแสไปผู่ได้รับรับเสร็จกระแสจึงทำตั้งแต่ควดีคนบัวจักรธรรนคิดอยู่เกันนึกคิดประหารนี่้งดีทั้งชัวยังเอามาหนึ่งทเบนเบี่ยนส่วนนักพื้นยัเอามาหนึแล้วเขาก็มีของส่วนอันนี้ไม่แน่ใจ แี่ละควบคู่ของโกรนี่ไม่แน่ใจน่เขาลบควบดีของโกรนน่ไม่แน่ใจก็เป็ไงลุงพูจะหายคอดนะ้องูจะาลุงปูเมื่อยไหมนะท้าววิวหาพลาวพลเรือพลเรสาขลังเจ้าเมววิโตชินังเตยชนังอุปกระบติจิตังมุจิตังสขังเจ้าเมววิหันวสูเพลรนจส กันโทปนัสโยะามณีโชติโยสนยะธาท้าปีติโยวะทันสัพโรโวินตตุมาเตะภาวจนภราโยายโกกุอิวาสนสีนิสันิสังมทรจัญญานองังโอธมาวัทานติอาโยบนสุขา